วันนี้ก็เป็นวันพ่อแห่งชาติคือวันพ่อก็คือวันในหลวงของเราประเทศชาติของเราก็จัดว่าเป็นวันพ่อแห่งชาติวันแม่แห่งชาติก็วันที่สิบสองสิงหาวันพ่อแห่งชาติก็คือวันที่ห้าธันวาปีนี้ก็2สองพันห้าร้อสีสิบแปดเป็นวันพ่อแห่งชาติเพราะนั้นพวกเราท่านทางหลาย ถ้าจะว่าไปแล้วคือวันพ่อเนี่ยถ้าพวกเราจะต้องสืบสอบเรื่องาว่าความเป็นมาเบื้องต้นเนี่ยมันจะต้องรู้ว่าข้าเนี่ยเป็นมาอย่างไรพวกเราทุกคนเป็นมาอย่างไรมาถึงจุดนี้ถ้าว่าจะเรียนหนังสือก็ต้องเรียนว่ากอไก่ขอไข่ขอขวดถ้าไม่เรียนกอไก่ยังไม่จบเราจะไปเรียนโนฮอนกุกก็คงจะข้ามขั้นไป ถ้าจะไม่เรียนเลขเลขหนึ่งจะไปเรียนเลขสิบเลขร้อยไปเลยมันก็ข้ามขั้นไปไม่รู้กระทั่งเลขหนึ่งแล้วจะไปเรียนรู้อย่างอื่นอันนี้ก็เหมือนกันถ้าจะเปรียบเทียบแล้วก็พวกเราทันทั้งหลายที่เกิดมาแล้วเกิดมาทีแรกเราเกิดมาจากใครเกิดมาเพื่ออะไรเราทำไมจึงเกิดมาเราเกิดม า, าเกิดมาแบบไหน ถ้าว่าพวกเราย้อนยุคไปดูตัวเองหรือว่าถึงจะไม่เห็นตัวเองก็ไปเห็นเด็กที่มันเกิดใหม่ที่เขาเกิดมาเป็นลูกเป็นเต้าเป็นลูกเป็นหลานคนเราก็ต้องเห็นเด็กว่า เ, เกิดมาที่แรกเป็นยังไงพวกเราก็ไม่แพ้เขาเหล่านั้นเหมือนกับเขาเหล่านั้นที่เกิดมาเพราะฉะนั้นการที่เกิดมาของเราเนี่ยเกิดมาอย่างนั้นเพราะอะไรทําไมแล้วยังมาถึงขนาดนี้ แต่พอมาถึงขนาดนี้พวกบางคนลืมตัวได้บัดลืมตัวลืมตนว่าข้าเป็นใครข้ามาเป็นไข่มาจากไหนลืมกระทั่งการเป็นอยู่ของตนเองเบื้องตนแต่ตามไม่จริงน่าจะดูตัวเองว่าเราเกิดมาจากไหนอย่างไรที่แรกเราเกิดมาจากพ่อแม่ร่างกายของเราทุกส่วนตั้งแต่ศีรษะจนถึงฝ่าเท้าเราได้มาจากใคร ไม่มีใครปฏิเสธว่าไม่ได้มาจากพ่อจากแม่คือพ่อแม่คือเป็นผู้ให้กำเนิดที่เราเกิดมาในเมื่อเราเกิดออกมาแล้วพ่อแม่ทั้งสองท่านก็ประครบประงมดูแลช่วยกัน ร, รักษาลูกของตอนเองตามอัตภาพในการเป็นอยู่ชุมชนนั้นๆถ้าหาว่าพ่อแม่เป็นผู้ร่ำรวยเป็นผู้มีเงินทรัพย์สมบัติการดูแลเลี้ยงลูกก็ ได้รับความสะดวกสบายเอื้ออำนวยความสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างที่จะมอบให้แก่ลูกที่เป็นที่รักยิ่งของตนเองแต่ถ้าว่าพ่อแม่อยู่ในชนบทเป็นบ้านนอกขอคารเมเาการเลี้ยงดูก็ในระดับหนึ่งแต่ถือยังไงก็สุดชีวิตของแต่ละคนเผาพันเหมือนกันเพราะนั้นให้พวกเรารู้จักว่าเราเกิดมา ทีแรกมันเป็นยังไงสถานะไหนอย่างไรแต่นี่พ่อแม่ก่อนที่พวกเราเกิดขึ้นมาแล้วพ่อแม่ก็ประครบประงมดูแลอย่างที่ได้พูดไว้แล้วจากนั้นก็หลายเดือนจึงจะพออ่อแออรู้สึกตัวเองขึ้นมาบ้างจากนั้นพ่อแม่ก็พยายามยัดเยียดความรู้ให้แก่บุตรธิดาสอนทุกอย่างไม่ใช่สอนทำให้ทุกอย่าง การทำให้นะ็คือการสอนคือการบอกแต่เราจะไปบอกเขาก็ไม่รู้อันนี้ทําให้เขาขับถ่ายยังไงดูแลยังไงป้อนข้าวยังไงกินทานอาหารนอนยังไงนอนยังไงพักยังไงเวลาเท่าไหร่ ย, ยังไงอันนี้คือพ่อแม่ก็ต้องเสียสละเวลาเวลาให้แก่บุตรถ้าหากว่าไม่ทําให้เขาต้องว่าจ้างคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจ อย่างมากที่ให้ดูแลบุตรที่เป็นที่รักของตนเองรักเมตตาลูกของตนเองอย่างสุดๆาจากนั้นนะท่านก็ดูแลรักษาพอมีความรู้ขึ้นมาได้พอรู้เดียงสาภาวะขึ้นมาท่านก็พยายามสั่งสอนแนะนำเพราะนั้นในหลักของพุทธศาสนารพระพุทธเจ้าทาวาพ่อแม่เป็นบุพายาณของบุตรธิดาบุพายาคือเป็นอาจารย์คนแรกเป็น อาจารย์คนแรกที่สอนบุตรธิดาให้รู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักทุกสิ่งทุกอย่างก่อนใครทั้งหมดจากนั้นเมื่อสอนเสร็จเรียบร้อยแล้วพอที่จะรู้เรียงสาภาวะพ่อแม่ก็เห็นว่าพอจะเข้าโรงริ่มโรงเรียนได้พ่อแม่ก็หาโรงเรียนพ่อแม่ก็ต้องเสียสละถ้าหาว่าพ่อแม่ที่ร่ารวยอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาแต่พ่อแม่พอครึ่งกลางกลางอยากจะให้ลูกตัวเองเรียนสูงตัวนี้แหละสำคัญ บางคนก็เกือบจะหมดเนื้อหมดตัวก็มีเงินคําทรัพย์สมบัติที่จะใช้จ่ายในครอบครัวกระทุ่มเทให้แก่ลูกของตนเองเพื่อจะให้ลูกตัวเองได้เข้าโรงเรียนดีๆเพื่ออนาคตของบุตรธิดาของตนเองถ้าจะว่าไปแล้วน้ําใจหรือ ว, ว่าจิตใจของพ่อแม่ทุ่มเทให้แก่บุตรธิดาเนี่ยไม่ใช่น้อยเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่พูดให้ฟังยืดยาวมาให้พวกเราให้รู้จักว่ากรรมพืชของเราเนี่ยเราเกิดมาเนี่ยเป็นอย่างไร ให้มองให้มองดูให้พวกเราทั้งหลายมองดูพระคุณของบิดามารดาหมากน้อยแค่ไหนเพราะนั้นท่านประเทศชาติของเราในหลวงของเราจึงกำหนดวันนี้ว่าเป็นวันพ่อแห่งชาติพ่อมีความหมายว่าอย่างไรวันแม่แห่งชาติแม่นั้นมีความหมายว่าอย่างไรที่หลวงพ่อได้พูดให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังเยพ่อแม่นี่มีความหมายอย่างนี้เป็นผู้เลี้ยงดูเป็นผู้ทุ่มเท ให้แกบุตรธิดากแต่ต่อมาพอบุตรธิดารู้เรียงสาภาวะพอที่จะเรเรียนศึกษาได้ก็เรเรียนศึกษาหาวิชาความรู้ใส่ตนเองพ่อแม่ถึงยังไงพ่อแม่ก็ยังประครบประงมเรื่องเงินทุนการศึกษาการเป็นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะตัวเองยังหาเงินไม่ได้แต่บางคนก็เอาละเถนี่เพียงแค่นั้นก็ลืมตัวอีกหาว่าหน้าที่พ่อแมคอ่คือหน้าที่ หน้าที่ต้องเลี้ยงดูต้องเลี้ยงดูลูก เ, เป็นอย่างนั้นไปอีกเพราะเหตุไรเพราะมันลืมตัวแต่ถ้าคนไม่ลืมตัวก็จะต้องคิดว่ า, าพ่อแม่ก่อนที่จะหาเงินมาให้เราเรียนหนังสือเนี่ยด้วยความทุกข์ยากลำบากขนาดไหน เ, เราควรจะเตรียมตัวอย่างไงเพื่อจะไม่ให้พ่อแม่ทุกลำบากจิตใจในการเป็นอยู่ของเราพอเราก็าพอจะพึ่งตัวเองได้แล้ว สิ่งไหนที่พอจะจืดจุนให้พ่อแม่บา อ, อกเบาใจเราก็พยายามทําจุดนั้นให้พ่อแม่ของเราเบา อ, อกเบาใจกับเราอย่าให้ท่านหนักใจกับเราจนเกินไปอันนี้ก็คือทางว่าลูกทั้งหลายมีคุณธรรมในจิตใจมีจริยธรรมในจิตใจจะต้องสานึกอย่างนั้นไว้อยู่เสมอคือสรุปแล้วก็คือไม่ให้พ่อแม่ตัวเองหนักใจนี่แหละท่าว่าการเป็นอยู่พ่อแม่ลูกอยู่ในชุมชนใดมีความคิด ใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเข้ามาเป็นเครื่องชี้นาของชีวิตแล้วชีวิตนั้นครอบครัวนั้นก็จะมีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปพ่อแม่ก็ไม่ทะเลาะ ก, กับลูกลูกก็ไม่ทะเลาะ ก, กับพ่อแม่หน้าที่ของพ่อแม่คืออะไรหน้าที่ของลูกคืออะไรในหลักของพุทธศาสนาท่านสอนไว้หมดเมื่อพ่อแม่เลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบ ทำกิจธุระของท่านดําลงวงศกุลประพฤตินตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศสวนกุศลให้ท่านเพราะพระเจ้าท่านสอนผู้ที่เป็นบุตรนะผู้เป็นพ่อเป็นแม่ท่านก็สอนอีกพ่อแม่เนี่ยควรจะทำตัวอย่างไรเมื่อเป็นพ่อเป็นแม่เขาแล้วท่านว่า เ, เราก็เลี้ยงดู เ, เลี้ยงดูดีจนถึงว่า มอบทรัพย์มรดกให้ในสมัยมอบทรัพย์ให้ในสมัยคล้ายๆว่าเมื่อตัวเองจะล่วงรับดับขันไปกระแจกแจงมรดกให้แก่ลูกหาภรรยาที่สมควรให้อย่างเนี้ยสรุปแล้วก็คือถ้าว่าพวกเราทําหน้าที่ไม่ขาดตกบกพร่องทั้งหน้าที่แม่ทั้งหน้าที่พอ่อทั้งหน้าที่ลูกนะก็จะมีความราบรื่นเป็นไปด้วยดี แต่อันนี้ลูกบางคนก็เอาเปรียบพ่อแม่มากจนเกินไปคือลูกนี่เอาเปรียบพ่อแม่เอาเปรียบเจ้านี่เกินไปสรุปแล้วก็คือลูบพ่อว่าพ่อแม่เนี่คือเจ้านี่นะคือว่าลูกก็คือลูกนี่ว่างั้นแต่ลูบลูกว่างั้นนะแต่ตามไม่จริงนถ่ายเรียกให้จบชื่อ จ, จริงๆก็คือลูกนี่ว่างั้นแต่เราเป็นนี่ของพ่อของแม่คิดดูก็แล้วกันเป็นนี่ประเภทไหนตั้งแต่ศีรษะจนถึงฝ่าเท้าอย่างที่หลวงพ่อพูดนะ เราได้มาจากใครได้มาจากพ่อจากแม่เพรา ะ, ะนั้นพวกเราควรจะสำเหนียกสำนึกไว้อยู่เสมอว่าเราจะทดแทนพระคุณของท่านบิดามารดาด้วยวิธีอย่างไรจึงจะเหมาะสมเป็นธรรมนะอันนี้ก็ขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆ ท, ท่านพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าพ่อแม่ล่วงลับปรับขันไปแล้วก็ทำบุญอุทิศ ส, สวนกุศลให้ท่านพระท่านล่วงลับไปแล้วเราก็ไม่รู้จะแทนบุญยังไง พระพุทธเจ้าเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านถาว่าดวงวิญญาณของท่านสิงสถิอยู่ณถิ่นใดลูกเต่าทั้งหลายวันนี้มาทําบุญข อ, ขอขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากลูกนะจากลูกดีนะพ่อแม่ขอขอให้มีความอยู่เย็นเป็นสุขร่มเย็นเป็นสุขดวงวิญญาณของพ่อแมอ่อันนี้ก็คือหน้าที่ของบุตรธิดาทุกคน ในหลักของพุทธศาสนาท่านสอนอย่างนั้นพราว่าตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกตายแล้วจะเกิดอีกแกกน่นอนอย่างพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยได้ตัดฉรุษธรรมที่โคลนต้นโพนปุบเพนิวาส า, านุสติญาณและลึกชาติทนหลังได้ก็นี่แหละคือเรื่องไม่ไม่สูญนี่แหละตายแล้วเกิดอีกเป็นภพเป็นชาติพระพุทธเจ้าก็เป็นแถวเป็นแนวของแต่ละองค์นะพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามากกว่าแสนโกดแต่ละองค์ คือแนวแถวของพระพุทธเจ้าอย่างพวกเราท่านทั้งหลายนั่งอยู่นี่ไม่มีใครรู้ว่าใครปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าบ้างใครปรารถนาเป็นพระสาวกบ้างใครปรารถนาเป็นสาวิกาบางังคือมีความปรารถนาของแต่ละคนละคนในจิตใจอย่างพระพุทธเจ้าของเราเนี่สมัยก่อน ท, ท่านกับทําบุญทําทานเออขอให้ข้าพเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตด้วยเทินแต่ไม่พูดอยู่ในใจพอต่อมาต่อมาท่นี่ กลายพบหลายชาติขึ้นมาบรารมีแก่กล้าขึ้นมาพูดให้ใครฟังได้ว่าข้าพเจ้าจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตอออกปากแล้วยังไม่แน่แน่เนี่ยพระพุทธเจ้าองค์มาตรัสรู้อีกท่านพยากรณ์มานี่ท่านผู้นี้ยจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตอันนั้นแน่นอนจากนั้นก็บำเพ็ญมาเรื่อยๆแต่ถึงยังไงก็เกิดพบใด้ชาติใดท่านก็บำเพ็ญเพื่อจะได้เป็นพระพุทธเจ้าอยู่ตลอด นี่ก็คือสายแนวแถวของพุท ธ, ธะสายแนวแถวของพระสาวกเลยภาษาวก ค, คือปรารถนาว่าขอให้เป็นพภาษาวกตำแหน่งภาษาลิบุตรตำแหน่งพระโมกขรารตำแหน่งพระศรีวลีตำแหน่งพระอนุรุท ธ, ธะอย่างเนี้ยก็ขอให้ได้ตำแหน่งนั้นคือในใจก็คิดอยู่ในตำแหน่งนั้นในใจแต่ถึงจะลืมหลงไปบ้างเป็นบางภพ บ, บางชาติเพราะมาสิ่งที่มาเกี่ยวข้องแต่ว่าถึงยังไงก็ตาม สิ่งที่ปราถนานี่ยก็ยังฝังลึกอยู่ในจิตใจของดวงวิญญาณนั้นๆพอเมื่อเมื่อมีโอกาสขึ้นมากับโผล่ออกมาแล้วกัปราถนาจากนั้นท่านก็ได้สําเร็จมั่กสำเร็จผลอย่างที่ตัวเองปราถนาะก็ต้องได้รับพยากรณ์อีกเหมือนกันนะถ้าว่าได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าแล้วแน่นอนถ้ายังไม่ได้รับพยากรหนึ่อาจจะตกหล่นไปก็ได้อาจจะเปลี่ยนทางจิตใจก็ได้แต่ถ้าได้รับพยากรณ์แล้วพระพุทธเจ้ามองเห็นอนาคตแน่นอนแล้วอันนั้นเป็ว่า เป็นผู้แน่นอนจะต้องเป็นไปในอนาคตอันนี้ก็คือเป็นแนวแถวของพุท ธ, ธะในกับพัฒกับนี้มีอยู่พระพุทธเจ้าอยู่5พระองค์พระพุทธเจ้าของเราโคตโมโคตมโคดพระพุทธเจ้าโคตมะอายุพระองค์80ปีวางศาสนาไว 5, ้ 5,000 ปีต่อไปเป็นพระศรีอริยะเมตโยพระสีอานในอนาคตต่อไปภายภาคหน้าจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคต จะว่าพัฒกับนี้มีพระพุทธเจ้า5พระองค์จากนั้นก็มีอีกต่อไปอีกเป็นกับต่อไปอีกอันนี้เป็นยุคนี้เป็นยุคของพระพุทธเจ้าโคตมักโคตมัโคดสินทานของพระพุทธเจ้ายองวางศาสนาไว้ยอยู่ 5,000 ปีตั้งแต่พระพุทธเจ้าปรินิพานจากนั้นก็เป็นในช่วงระหว่างต่อกับในระหว่างพระพุทธเจ้าต่อพระพุทธเจ้าจากนั้นก็เป็นพภาษีอ่านขึ้นมาตรัสอีกอายุ 80,000 ื่นปีดังนั้นเป็นยุคภาษีอ่าน พอจบนั้นก็เป็นจบพัตธกับไปอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าท่านพระยกรณ์ทําลายเอาไว้นะแต่พระพุทธเจ้าของเราพระศีอารที่ยังไม่ได้มาตรัสรู้นั่นนะ่ะพระศีอานเกิดไหมยังเกิดไหมแต่ในครั้งพระพุทธเจ้านี่ตั้งแต่ศิทธาออกไปบวชนางโคตมีพระมารดาเลี้ยงพระพุทธเจ้าคือเป็นน้องพระมารดาของพระพุทธเจ้าเนี่ย ก็ได้ลูกอีกสองคนคือนันทากับรูปะนันธาแต่ศิทธานี่เป็นลูกของสิริมหามายาแต่ชินพระสนไปแล้วสวรรคคตไปแล้วแต่นี่ตอนที่ท่านออกไปบวชนางโคตมีคิดถึงห่วงลูกลักลูกที่เป็นศิทธาพยายามกอได้ทำผ้าให้ละเอียดที่สุดว่างั้นเถด้วยมือตัวเอง เพื่อจะได้ถวายศิทธัตถะแต่ในพระพุทธองค์ก็ไปบําเพ็ญที่6ปีอยู่ในป่าได้ตัดสู้จากนั้นได้มาประกาศสอนธรรมจากนั้นก็นมาเทศมาโปรดพระบิดามาโปรดพระมารดาเลี้ยงมาโปรดวงสาคนาญาติพอมาโปรดเสร็จแล้วนางโคตมีก็เลยเอาผ้าผืนนี่ไปถวายไปถวายเก็บพระพุทธเจ้าที่เป็นพระลูกเลี้ยงเหมัน้น่าน พระพุทธเจ้าบอกว่าหยุดโคเตมีเราไม่รับอเดี๋ยวให้อพระพุทธองค์ก็รับจริงอยู่พอรับเสร็จแล้วท่านก็ยื่นไปให้องค์ที่สองนางโคเตมีดวตาแปว๋วเลยว่าเงี้ยอยากจะให้พระพุทธเจ้ารับเองใช้เองเพราะว่าตัวเองทําด้วยมือของตนเองเออด้วยความทะนุถนอมชุดฝีมือว่างี้ยอยากจะให้พระพุทธเจ้าใช้แต่พระพุทธเจ้ารับเสร็จแล้วส่งไปให้องค์ที่สององค์ที่สองค์ส่งองค์ที่3องค์งที่3ามส่งองค์ที่4ี่องค์ที่หองค์ ไล่ไปเรื่อยจนองค์สุดท้ายพ้อยทัองค์สุดท้ายองค์สุดท้ายกับไม่รู้จะส่งไปที่ไหนอองค์ที่สท้ายก็ว า, วางไว้ตรงนั้นเอเพราะว่าไม่ไม่รู้จะส่งที่ไหนแล้วผ้าที่ได้มานางโคเตมีก็รู้สึกว่าเสียพระไถยกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าผ้าผืนนี้หม่อมฉันตั้งอกตั้งใจจะถวายแกพออ่พระองค์พรุทธเจ้าบอกเอาละ่ะเรืถึงถวายแก่เรา ก, ก็จริงอยู่เรารับแล้วสง่งทลายได้รับผ่านมือไปทุกองค์จนไปถึงองค์สุดท้าย นะองค์สุดท้ายไม่ใช่ธรรมดานะเราจะไปมองข้ามไม่ได้ถึงจะองค์สุดท้ายก็เถอะนะท่านจะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตคือพระศรีอริยะเมตไตอแต่นี้ท่านก็บอกว่าเอา้าไทยงั้นก็เอาท่านก็เลยเอาบาทอธิษฐานให้เอาบาทขึ้นไปให้ลอยบาทให้พระโมกขลาในไล่ไร่รับบาทเออไล่เท่าไรก็ไม่ได้แต่นี้พระศรีอ่านบอกท่านแบมือบาทตกในมือของพระศรีอาน์นี่แหละ พระองค์นี้จะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตต่อจากเราไปคือพระศรีอานคือพระศรีอริยะเมตรไตรอันนี้ก็คือท่านพูดในพระไตรปิฎกเอาไว้นะอันนี้แหะคือแนวแถวของพุท ธ, ธะแนวแถวของพระสาวกแนวแถวของพุท ธ, ธบริษัทอย่างพวกเราท่านทั้งหลายสรุปแล้วก็คือความปรารถนาของแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างเออถือยังไงก็ขอให้เข้าไปเจ้าพ้นทุกในวัฏฏสงสารอย่าให้ยืดยาวเถิด ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เพราะเกิดชาติหน้าก็คงจะเป็นอย่างนี้แหละพรกินกินขับขับถ่ายถ่ายเจ็บไข้ได้ป่วยล้มหายตายจากพัดภาคจากการมีแต่เครื่องทุกข์ทั้งนั้นแต่ถึงยังไงขอให้หมดกิเลสโดยเร็วเอ่ยอย่งไงขอให้พ้นทุกข์โดยเร็ ว, ร ใ, หพรพ ว, รวให้เร็วเร็วที่สุดเพราะฉนั้นวิธีการปฏิบัติให้เร็วทํายังไงพระพุทธเจ้าจึงก็สอนไว้แนวทางนะเอ่อย่างรวยทางลัรดรวยทางโค้งเลยรวยทางไหนว่างั้นะ เออพระพุทธเจ้าท่านสอนไม่หมดเออสำหรับภาคปฏิบัติแล้วให้จิตตภาวนาแล้วเอาอย่างไงถึงจะพ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารโดยเร็วทำอย่างไรเกล่งความภาคความเพียรรักษาศีลภาวนาให้มีสติอยู่ในสติปัฏฐานสีกายเวทนาจิตธรรมไม่ให้จิตคิดปุงฟุ้งไปข้างนอกให้อยู่กับตัวเองอันนี้แหละคือหลักของพุทธศาสนาที่ท่านสอนเอาไว้เออวันนี้หลวงพ่อได้พูดเสียยืดยาวสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายเพื่อเป็น ข้อคิดแนวปฏิบัติสำหรับตนเองอย่าลืมตัวให้รู้ว่าตัวเองเกิดมาอย่างไรเกิดมาจากไหนใครเป็นผู้เลี้ยงดูะคบะโงมจนมาถึงใหญ่ถึงขนาดนี้เราอย่าลืมตัวจากนั้นก็พยายามทำตนให้ถูกต้องเป็นธรรมจากนั้นก็สั่งสมบารมีเอาไว้อย่าประมาทตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกอย่างพระพุทธเจ้าพระหานสาวก ที่ท่านได้ตัดสรุปรมที่ พ, พุทธเจ้าได้ตัดสรุรรมและท่านมองเห็นอดีตอนาคตอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้รู้ได้ศึกษาถ้าหากว่าพวกเราไม่เชื่อใครก็ให้นั่งภาวนาอย่างที่ พ, พุทธเจ้าสอนทำจิตให้สงบทำจิตให้เป็นหนึ่งจะรู้ได้ด้วยตนเองนะอันนี้ก็เป็นแนวความคิดสาหรับพวกเราท่านทั้งหลายจะต้องได้ศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตนต่อไปะตอนนี้ไปหลวงพ่อจะให้พอนะทีนีนะ อนุโมทนาให้พ อ, รอพร้อมกันก็อุทิศส่วนกุศลหน้านะบูชาถวายพระราชกุศลกับในหลวงของเราพ่อบรมราชนีของเราพ่อบรมวงศานุวงศ์ตลอดถึงพระสยามเทวาธิราชประเทศชาติบ้านเมืองให้อยู่รอดปลอดภัยให้มีแต่ความร่มเย็นผาสุขจากนั้นก็อุทิศส่วนกุศลถึงพ่อแม่ปูย่ย่าตายายวงศาคนายาทญาติมิตรสหายขอให้มีความร่มเย็นเป็นสุข ถ้ามีชีวิตอยู่ก็ขอให้เจริญยิ่งด้วยอายุวันนะสุขะพละท้าว่าท่านผู้ใดล่วงรับไปแล้วก็ให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลปรารถนาสิ่งใดก็ให้สมความมุ่งมา่ปรารถนานะรนะับพรยะทาวาริวหาปุราปาริปูเร